หรือผ่อนร้ายให้เบาบางลงผู้เขียนเคยอธิบายเทียบด้วยน้ำกรดหรือยาพิษขนาดแรงที่อาจกินเข้าไปแล้วตายทันทีแต่ถ้าเติมน้ำที่เจือจางยาพิษหรือน้ากรดนั้นก็ไม่ทำอันตรายหรือกลายเป็นยาย่อยอาหารไปผลร้ายของกรรมชั่วบางอย่างเทียบด้วยยาพิษหรือน้ากรด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 ผู้เขียนได้เคยพบท่านผู้หนึ่งซึ่งต้องโทษโดยสารยังไม่ได้ระบุว่าทำความผิดยังอยู่ในระหว่างไตส่สวนแต่ในระหว่างใตส่สวนนั้นท่านผู้นั้นถูกขังอยู่เป็นเวลาหลายปีท่านผู้นั้นอธิบายได้ดีถึงกฎแห่งกรรมและเข้าใจว่าแม้ตนจะไม่ผิดแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นเรื่องของการยกยอดบัญชีมาแต่ชาติก่อนทาให้หักห้ามใจไปได้